รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องเทพรักกับชายตัดฟืนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายใจซื่อแต่ยากจนคนหนึ่งมีอาชีพตัดฟืนไปเร่ขายในตลาดทุกๆวันชายผู้นี้จะตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อออกไปหากิ่งไม้แห้งคุณภาพดีสำหรับการทำฟืนแล้วนำมาผ่าเป็นซีกๆด้วยขวานเหล็ก เล่มเก่าคู่ใจซึ่งเป็นสมบัติในการประกอบอาชีพชิ้นเดียวที่พ่อของเขาได้มอบไว้ให้ก่อนตายแม้ว่าชายตัดฟืนจะยากจนแต่ด้วยความที่เป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์และเป็นคนดีมีเมตตาเขาจึงเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักยกเว้นคนเดียวก็คือชายใจคดที่อาศัยอยู่บ้านข้าง ชายใจคดนั้นแต่เดิมเป็นบุตรชายของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งทว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปก็ไม่อาจรักษาทรัพสมบัติเหล่านั้นเอาไว้ได้เหตุเพราะความเป็นคนใจคดชอบพูดโกหกตลกตะแลงอยู่เสมอเมื่อทำการค้าใดๆกับใครก็ไม่เคยมีความสุจริตใจภายหลังจึงไร้คนเชื่อถือกิจการต่างๆจึงล้มสลายและล้มละลายไปจนหมดสิ้น ชายใจคดเมื่อไร้เงินทองของพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรต่อไปดียามพ่อแม่ให้เงินทองไปศึกษาก็หนีการเล่าเรียนไปเที่ยวเล่นทำให้ไม่มีวิชาความรู้ติดตัวอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นว่าชายใจซื่อที่อยู่บ้านใกล้เคียงทำอาชีพตัดฟืนแล้วมีเงินซื้อข้าวกินตนเองเลยยึดอาชีพนั้นตามบ้าง แต่ชายใจคดไม่ตั้งใจประกอบอาชีพเหมือนชายใจซื่อกว่าจะได้ลุกจากที่นอนในแต่ละวันก็เมื่อสายมากแล้วแค่ออกแรงตัดฟืนนิดหน่อยก็บ่นว่าเหนื่อยดังนั้นฟืนของชายใจคดจึงขายไม่ค่อยได้ต่างจากฟืนของชายใจซื่อที่ขายดิบขายดีทุกวันชายใจคดจึงรู้สึกอิดชา้าชายใจซื่ออยู่ลึก และคิดว่าสักวันจะต้องกลับมาร่ำรวยดังเดิมให้ได้อยู่มาวันหนึง่งชายใจซื้อตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อออกไปตัดฟืนเหมือนเช่นทุกวันกระนั้นเมื่อเห็นชายใจคดยังไม่ออกจากบ้านก็ยังอุตส่ามีน้ำใจไปเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อปลุกให้ออกไปตัดฟืนด้วยกันรีบตื่นเถอะเพื่อนหากต้องการไม้คุณภาพดีเราก็ต้องไปการเซตแต่ตอนนี้ ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมาเก็บไปจนหมดแต่ชายใจคดกลับไม่สำนึกในความหวังดีของชายใจซื่อเขาม่ยอมลุกจากเตียงซ้ำยังหยิบข้าวของคว้างไปที่ประตูพร้อมกับส่งเสียงตะคอกอย่างรำคาญว่าแกอยากได้ไหมดีๆก็ไปคนเดียวสิอย่ามาลบกวนเวลานอนของข้าข้ากำลังฝันถึงสมบัติมากมายไก่กองอยู่เชียวอย่ามาขัดจังหวะข้าอีกนะมิอย่างนั้นแกจะโดนดี ชายใจซื้อเห็นว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะชวนชายใจคดให้ออกไปตัดฟืนด้วยกันดังนั้นเขาจึงผ่านหน้าสู่ป่าไปหาไม้ฟืนแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเข้าไปในป่าชายใจซื้อพบไม้ฟืนเช่นดีอยู่ริมแม่น้ำเป็นจำนวนมากเขาจึงปักหลักเก็บกิ่งไม้แห้งและผ่าฟืนอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานานชายใจซื้อทางานของตนอย่างขมัมเขม้น และตอนนั้นเองโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวเขาก็เผลอทำขวานหลุดมือตกลงไปในแม่น้ำขวานเล่มนั้นแม้จะเก่ามากแล้วแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินมานานอีกทั้งยังเป็นของไว้ดูต่างหน้าพ่อของเขาอีกด้วยชายใจซื่อ กลุ้มใจและเศร้าโศกเป็นที่สุดตัวเขาเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่รู้จะหาทางลงไปเอาขวานของตนคืนมาได้อย่างไรพ่อจ๋าลูกไม่ดีเองที่ไม่ทันระวังตัวจนทำให้ขวานที่พ่อมอบให้ตกน้ำไปโปรดอภัยให้ลูกที่ไม่ได้ความคนนี้ด้วยเถอเจอ้าพ่อ ขณะที่กำลังนึกคิดถึงพ่อและตัดพ้อตนเองอยู่นั้นจู่ๆน้ำในแม่น้ำที่เคยไหล ย, ยังเอื่อยเชื่อยก็หมุนวนอย่างรุนแรงแล้วทันใดนั้นเองเทพรักษ์องค์หนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นมาจากผิวน้ำตรงใจกลางของคลื่นน้ำวนพร้อมกับถามชายใจซื่อว่าข้าคือเทพารักษ์ที่ดูแลผืนน้ำในป่าแห่งนี้ มีขวานเล่มหนึ่งตกลงไปขวานนี้คือขวานของเจ้าใช่หรือไม่ชายใจซื่อมองเทพารักษ์อย่างตกตะลึงไปชั่วขณะแต่เมื่อควบคุมสติได้ก็รีบยกมือขึ้นกราบไหว้ด้วยความเคารพแล้วขมิ้นมองไปยังขวานในมือของเทพารักษ์ขวานเล่มนั้นเป็นขวานเงินราคาสูงนั่นไม่ใช่ขวานของข้าน้อยหรอกขอรับขอท่านเทพารักษ์ ได้โปรดนาขวานของข้ากลับคืนมาให้ข้าด้วยเถิดชายอย่างนั้นจงรอข้าสักประเดี๋ยวเทพารักษ์ว่าพร้อมทั้งหายวับลงไปในใจกลางของคืนน้ำวนครู่หนึ่งแล้วจึงขึ้นมาปรากฏกายเหนือผิวน้ำอีกขวานเล่มนี้คือขวานของเจ้าใช่หรือไม่เทพารักษ์ถามพร้อมกับชูขวานในมือขึ้นมาชายใจซื่อคเม้นมองอีก คราวนี้เป็นขวานทองคำเหลืองอรารามทั้งเล่มเรียนท่านเทพรักขวานนั้นก็ไม่ใช่ขวานของข้าขอรับขวานของข้าเป็นเพียงขวานธรรมดาที่เก่ามากแล้วและไม่มีราคาแต่อย่างใดชายใจซื่อตอบก็ดีแล้วนี่เทพรักว่าถ้าขวานของเจ้าไม่มีราคาก็จงเอาขวานทองคำล้ำค่าเล่มนี้ไปแทนสิเจ้าจะได้ร่ารวยเสียทีอย่างไรเล่า เรียนท่านเทพารักษ์แม้ขวานทองคมจะลําค่าแต่อย่างไรมันก็ไม่ใช่ของของข้าหากข้าเอาไปไว้กับตัวคงรู้สึกไม่เป็นสุขแน่ข้าเพียงอยากได้ขวานข้าคืนโปรดช่วยข้าดิเถินชายใจซื่ออ้อนวอนเฮ่เจ้านี่ช่างเรื่องมากเสียจริงเทพารักษ์แงทําเป็นบน่นแล้วหายวับลงไปในน้ำอีก ก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมขวานเล่มเก่าชายใจซื้อมองแวบเดียวก็จำได้ทันทีว่าเป็นขวานของตนช่แล้วขอรับนั่นคือขวานของข้าจริงๆขอบพระคุณท่านเทพรักมากที่อุตส่านำขวานของข้าน้อยขึ้นมาให้ชายใจซื้อละล่ำละลักบอกด้วยความดีอกดีใจเหลือจะกล่าว เมื่อได้ขวานคืนแล้วก็จงตั้งใจทำงานให้ดีและข้าได้ไประจักษ์แน่แท้แล้วว่าเจ้าร้นมากด้วยคุณธรรมแห่งความสัตย์ซื่อซึ่งหาได้ยากในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนั้นข้าจะขอมอบขวานเงินและขวานทองให้เป็นของขวัญสำหรับเจ้าและขอให้เจ้าพบกับความสุขในชีวิตอันใกล้นี้เมื่อให้พรจบ เทพรักก็มอบขวานเงินและขวานทองให้แ่ชายใจซื่อแล้วหายวับลงไปในน้ำทันทีพร้อมกับทิศคลื่นน้ำวนก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเอื่อยเชยตามเดิมหลังจากนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ครู่หนึ่งชายใจซื่อก็ลงมือทำงานของตนต่อไปจนเสร็จแล้วนำฟืนไปเร่ขายในตลาดอีกเช่นเคย วันนี้ฟืนของเขาขายดีมากดังนั้นชายใจซื่อจึงได้กลับบ้านตั้งแต่เวลาสายๆเมื่อชายใจซื้อมาถึงบ้านปรากฏว่าชายใจคดเพิ่งจะตื่นนอนและกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่หน้าบ้านทันทีที่เห็นชายใจซื้อสายตาของชายใจคดก็ามาสะดุดตื่นตะลึงอยู่กับขวัญเงินและขวัญทองในมือของชายใจซื้ออ๊ะเจ้าไปเอาขวัญเงินและขวัญทองล้าค่าพวกนั้นมาจากไหนกันล่ะนั่น อย่าบอกนะว่าเจ้าไปลักขโมยของคนอื่นเขามาชายใจคดถามด้วยความพิศวงปนเคลือบแข็งใจเราไม่มีวันทำเช่นนั้นหรอกเพื่อนชายใจซื่อตอบวันนี้มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราตรงแม่น้ำในป่าโน่นแนะเราเผลอทำขวานตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็มีท่านเทพรักษ์ผู้ดูแลแม่น้ำแห่งนั้นนำขวานเหล่านี้ขึ้นมาให้เรา ชายใจคดได้ฟังเพียงเท่านั้นก็เกิดความละโมบเข้าครอบงําจิตใจรีบฉวยขวานของตนแล้วตะลีตะลานออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังชายใจซื้อให้จบสักก่อนเมื่อไปถึงริมแม่น้ําชายใจคดก็โยนขวานของตนลงไปในน้ําทันทีแล้วทําเป็นร้องไห้คขำขวนว่าขวานของข้าขวานของข้าพัดตกลงไปในแม่น้ำเสียแล้วจะทําอย่างไรดีจะทําอย่างไรดีทันใดนั้น น้ำในแม่น้ำก็เกิดเป็นระลอกขึ้นหมุนวนอย่างรุนแรงแล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขวานเงินข้าคือเทพรักษ์ที่ดูแลผืนน้ำในป่าแห่งนี้นี่คือขวานของเจ้าใช่หรือไม่เทพรักษ์ถามชายใจคดใช่แล้วขอรับท่านขวานนั้นเป็นของข้าเองชายใจคดพูดโกหกและยังไม่หยุดละโมบจึงพูดตอบไปว่า นอกจากนั้นข้ายังมีขวานทองคําอีกเล่มที่ทำตกลงไปด้วยขอท่านโปรดนำมาคืนให้ข้าด้วยเถิดเร็วมากเทพรักตะโกอย่างโกรธจัดจนน้ำในแม่น้ำแตกกระจายขวานนี่ไม่ใช่ของเจ้าสักหน่อยใยกล้ามาปลดข้าเช่นนี้เจ้ามันคนใจคดไม่ยึดมั่นในความจริงไม่เคารพในความสัตว์ดังนั้นเจ้าจะต้องสูญเสียทุกอย่าง แม้แต่ขวานของเจ้าข้าก็จะไม่คืนให้กล่าวจบเทพรักษ์ก็หายวับลงไปในผืนน้ำและทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ทั้งขวานเงิน ขวานทองและต้องสูญเสียแม้แต่ขวานของตนเองไปชายใจคดก็เดินคอตกกลับบ้านหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ยิ่งลำบากยิ่งกว่าเก่าเพราะความใจคดทำให้ต้องเสียขวานซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไปและไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย กับชายใจซื่อที่นับวันจะพบแต่ความสุขความเจริญมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถสร้างครอบครัวเล็กๆที่น่ารักและแสนอบอุ่นได้ในที่สุด<ม>เธอทั้งหลายนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วแต่คุณธรรมในนิทานหาได้เก่าแก่ดังตัวนิทานไม่เพราะอะไรนั่นเหรอ ก็เพราะความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในความจริงนั้นเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจากคุณธรรมเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้พบกับความสุขความจเจริญในชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรืออีกร้อยล้านปีหากโลกนี้ยังมีมนุษย์และมนุษย์ยังมีความซื่อสัตย์สุสจริตตาไว้ในดวงใจ ก็คงไม่มีใครขวนขวายอยากออกจากโลกไปอยู่บนดาวดวงอื่นอีกแล้วกระมัง